ท ja ่านอย่าหวังเลยว่าเมื่อท่านเป็นมนุษย์อยู่นั้นท่านได้รู้จักกับคนนั้นท่านได้รู้จักกับคนนี้แล้วหวังว่าเมื่อท่านไปเป็นโอปปาติกะแล้วจะได้รู้จักเขาไม่มีทางเป็นไปได้รูปร่างอย่างเป็นมนุษย์นั้นจะออกมาชัดก็ต่อเมื่อโอปปาติกะตนนั้นมาทำความรู้จักและมาติดต่อกับมนุษย์เท่านั้นแต่เมื่อเวลาที่เขาเป็นโอปปาติกะไม่ได้มาติดต่อกับมนุษย์ รูปร่างก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักกับคนคนนั้นนอกเสียจากว่าจะไปสแสวงหาเพื่อนใหม่นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในเทศนาการที่สามมีบางคนเมื่อได้อ่านพบข้อความตอนนี้ ก็ทำให้รู้สึกจิตใจหดหูสิ้นความหวังที่จะได้พบกับคนที่รักในโลกของโอปปาติกะและในเมื่อเทียบเคียงกับข้อความในหนังสือโลกทิพย์รู้สึกว่าตามในหนังสือโลกทิพย์นั้นคนที่ตายไปแล้วก็มีโอกาสจะได้รู้จักและอยู่ร่วมกับคนที่เคยรักเคยเป็นเพื่อนหรือเคยเป็นญาติกันมาอ่านแล้วทำให้สบายใจจะพอมาฟังเทศของหลวงพ่อสมเด็จ กลับทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่และก็สงสัยว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงคือคนเราเมื่อตายไปแล้วจะมีโอกาสได้พบและรู้จักกันในโลกของโอปปะปติกะง่ายหรือว่ายากกันแน่สำหรับปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านแล้วท่านได้ตอบมาว่าดังนี้ สำหรับคนที่ตายไปเป็นโอปปาติกะเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งสภาพร่างกายยังเหมือนกับเมื่อตอนที่ยังเป็นคนอยู่พวกนี้เมื่อพบกันก็จะจำกันได้และบางคนที่มาเยี่ยมเยียน ญ, ญ, ญาติพี่น้องอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าญาติพี่น้องของตนเองกำลังจะตายเขาก็จะมาคอยรับไปอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ย่อมหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นมีวิบากมาในทางเดียวกัน จึงจะสามารถอยู่ด้วยกันได้แลวรับไปอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าวิบากแตกต่างกันอย่างมากมายแล้วเขาก็จะต้องอยู่ในภูมิที่เหมาะสมกับวิบากของเขาเรื่องราวในหนังสือโลกทิศตลอดทั้งเรื่องเป็นการบรรยายถึงภูมิของพวกโอปปาติกะที่อยู่ในโลกมนุษย์และในบางครั้งที่กล่าวถึงผู้ที่มาจากภูมิสูงลงมาเยี่ยมเยียนภูมิต่ำ ในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อสมเด็จซึ่งในเวลาที่ท่านอยู่ในภูมิของท่านเราไปเห็นก็จะจำท่านไม่ได้แม้ท่านจะบอกเราก็อาจจะไม่เชื่อแต่ในเวลาที่ท่านมาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์รูปร่างของท่านก็เหมือนกับเมื่อตอนเป็นมนุษย์ในความหมายอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าท่านผู้อยู่ในภูมิสูงลงมาเยี่ยมหรือมาช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภูมิต่า ส่วนผู้ที่ตายไปแล้วไปอยู่ในภูมิของโอปปาติกะที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยรูปร่างก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ต่างคนก็ต่างจำกันไม่ได้ถึงแม้จะอยู่ในภูมิเดียวกันแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาเคยรักกันเคยมีความสัมพันธ์ต่อกันมาในทางใดทางหนึ่งเมื่อมาพบกันเข้า จะรู้สึกสนิทสนมกันได้ง่ายเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ซึ่งแม้จะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาแต่ถ้าเคยมีความสัมพันธ์กันมาในชาติก่อนอย่างลึกซึ้งเมื่อพบกันครั้งแรกก็จะรู้สึกสนใจซึ่งกันและกันและสนิทสนมกันได้ง่ายทั้งที่ต่างคนต่างก็นึกไม่ออกว่าเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อน แต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึง่งคือมนุษย์กับมนุษย์ถึงแม้จะพยายามนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกนอกจากจะได้ฌานขั้นสูงถึงขั้นที่ได้อภินยาจึงจะระลึกถึงชาติก่อนได้ส่วนพวกโอปะปะติกะความสามารถในการระลึกชาติไม่ต้องหัดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภูมิที่สบายจิตใจเป็นปกติแม้จะไม่ได้ฌานมาก่อนในเมื่อเกิดสนใจอยากจะรู้ก็จะนึกถึงอดีตได้โดยง่าย ข้อเสียของพวกโอปปาติกะมีอยู่อย่างเดียวสำหรับในกรณีอย่างนี้คือเมื่อถึงบทที่จะลืมก็ลืมได้อย่างสนิทถ้าไม่มีอะไรมาสกิดหรือเตือนใจเขาก็จะเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องราวที่ปรากฏเฉพาะหน้าสาเหตุที่ระลึกไม่ได้หรือจำกันไม่ได้เป็นเพราะเหตุนี้ยิ่งถ้าคนไหนพื้นเดิมเข้ากับคนอื่นได้ยากไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของคนอื่นพวกนี้จะลืมความหลังได้สนิทมากและก็เข้ากับคนอื่นได้ยาก อย่าลืมว่านิสัยเดิมเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์นั้นแม้จะไปเกิดเป็นโอปะปะติกะแล้วนิสัยก็ไม่เปลี่ยนแต่ก็มีข้อแม้ว่านิสัยชนิดไหนจะแสดงออกมามากนั่นก็ขึ้นกับพื้นฐานเดิมของจิตตอนที่กำลังจะจุดติอันนี้คือสาเหตุสำคัญเพราะถ้าลงว่าพื้นฐานอันไหนทำหน้าที่ชักจูงให้ไปเกิดในภูมินั้นๆพื้นฐานอันนี้ ก็จะเข้าครอบครองแสดงอิทธิพลในชีวิตประจําวันตั้งแต่เกิดจนตายนิสัยอันใดที่ตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงตัวออกมาและอย่าลืมว่าสมองของพวกโอปปาติกะขึ้นอยู่กับจิตใจร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันซึ่งเมื่อพื้นฐานของจิตใจอันไหนออกมา มันก็จะเป็นอย่างนั้นไปจนตลอดหรือจนกว่าจะสิ้นฤทธิ์ของมันไม่เหมือนกับสมองหรือระบบประสาทของมนุษย์ซึ่งสามารถรับอิทธิพลจากสิ่งภายนอกเข้าไปเปลี่ยนแปลงภาวะจิตใจที่กำลังเกิดอยู่ได้นี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างมนุษย์กับโอปปาติกะ ส่วนผู้ที่ได้ฌานซึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นเทพเจ้าผู้อยู่ในชั้นพรหมนั้นสำหรับท่านเหล่านี้ถ้าหากพื้นนิสัยเดิมมีพันธะผูกพันอยู่กับมนุษย์มีเมตตาจิตคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเคยตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์สำหรับเทพเจ้าที่มีจิตใจแบบนี้จะใช้เวลาอยู่กับมนุษย์มากกว่าที่จะอยู่ในภูมิของตัวเอง และท่านเหล่านี้ย่อมจะจําเหตุการณ์ในหุนหลังได้ง่ายการระลึกชาติได้ทั้งของตัวเองและของผู้อื่นท่านจะทําได้อย่างง่ายดายถ้าได้ติดต่อกับโอปปาติกะชั้นนี้ย่อมจะได้รับประโยชน์มากมายแต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าความรู้ของพวกโอปปปาติกะไม่ว่าจะสูงสุดแค่ไหน ก็มีขอบเขตจำกัดไม่ใช่จะรู้และเข้าใจอะไรทุกอย่างถ้าหากพื้นเดิมเคยเข้าใจอะไรมาอย่างไรเคยมีนิสัยอย่างไรชอบทำอะไรเวลาแนะนำผู้อื่นก็จะแนะนำไปตามพื้นความรู้และพื้นนิสัยของท่านคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการต่างๆก็จะเกิดความงมงายได้ง่าย ในเมื่อไปเชื่อทุกอย่างที่ท่านบอกเรื่องนี้แหละที่ต้องระวังกันให้มากบางคนพอไปเห็นข้อเท็จจริงหรือได้ข้อพิสูจน์มาบางอย่างก็เลยทำให้เชื่อเรื่องทุกๆอย่างที่ท่านบอกซึ่งความจริงเรื่องต่างๆที่ท่านบอกมานั้นอาจจะถูกต้องและเป็นจริงเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นอย่าลืมคำที่หลวงพ่อสมเด็จบอกว่าอุปาทานของพวกโอปปาติกะละได้ยากยิ่งนัก เมื่อท่านได้อธิบายให้ฟังดังนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงหลักพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ขาหาบดีคนหนึ่งชื่อน ก, กุลว่าบุคคลที่จะมีโอกาสได้พบกันอีกในชาติหน้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันหลักอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถที่จะใช้เป็นหลักได้ทั่วไป คนไหนถ้าต้องการจะพบกันอีกในชาติหน้าก็ต้องพยายามทำความดีให้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันโอกาสที่จะพบกันจึงจะมีง่ายส่วนผู้ที่ทำบาปแม้จะทำบาปอย่างเดียวกันไปอยู่ในภูมิเดียวกันแต่ภูมิที่ว่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์รูปร่างของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถึงจะเคยรักกันเคยรู้จักกัน ก็จะจำกันไม่ได้เพราะความทุกข์ทรมานที่เขากำลังได้รับอยู่จะทำให้นึกถึงแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นไม่มีจังหวะหรือเวลาที่จะไปนึกถึงเรื่องของคนอื่นและอย่าลืมว่าความคิดของพวกโอปปาติกะถ้าลงว่าดิ่งไปทางไหนแล้วก็ยากที่จะกลับจากทางนั้นได้เหมือนกับคนที่กำลังฝันร้ายทั้งที่เรื่องที่เขาประสบอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องจริง แต่เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นเขาจะนึกถึงเรื่องอย่างอื่นไม่ได้เลยและอย่าลืมอีกว่าคนที่ตายไปเป็นโอปปาติกะนั้นก็คือคนที่นอนหลับนานแสนนานกว่าจะตื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิถ้าพื้นจิตใจชั่วช้ามากเช่นเมื่ อ, อยังเป็นคนอยู่ ทั้งที่มีคนอื่นแนะนำสั่งสอนและมีการลงโทษก็ยังเปลี่ยนนิสัยไม่ได้คนประเภทเนี้เมื่อตกนรกแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเพราะว่านานเหลือเกินกว่าเขาจะพ้นจากนรกขึ้นมาได้